ซึ่งไม่ต้องตามเหตุตามผลมันก็เป็นไปไม่น่าอีกก็ยิ่งเป็นการเพิ่มสิ่งที่เราไม่ ป, ปริป่าทนาเข้าในหัวใจอีกนะถูเป็นศาสด า, าที่นำธรรมะมาสอนโลกเพื่อแก้ปัญหาภายใน จ, ใจิตใจยึงต้องเป็นผู้ฉเฉียวฉลาด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 กิเลสสอนลราเชื่อง่ายเพราะอะไรเพราะในใจของเรามีแต่กิเลสทั้งนั้นทำแทรกเข้าไม่ได้นูน่นตอนที่เราพอทราบกันได้บ้างแล้วเราถึงจะทราบได้ว่าฝ่ายนี้เป็นฝ่ายธรรมฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายกิเลสเมื่อทราบว่าต่างอันเป็นต่างฝ่ายกันแล้วอันก็มีการต่อสู้กันมีการแยกแย ก, กัน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 พยายามค้นด้วยสกสติปัญญาของพระองค์หลายด้านหลายทางกว่าจะมาถูกทางได้คื่อนาปานสติส่งกําหนด่มหายใจเข้าออกแลสส้วทรงคิดด่อนหลังถึงข่าวที่ไปแล่งนานะขวานได้ทรงบําเพ็ญอนาปาลัตินั้นนําการบําเพ็ญข้าวงทรงพยาานั้นมาปฏิบัติในปัจจุบันขณะที่ ทรงทาภาวนาอยู่ใต้ล่มโพกเคุณได้หลักนั่นเป็นทิฏฐิอนานามปาสติละเอียดลงเพียงไรจิตใจก็ยะอมีความละเอียดมีความปร่งใสการคิดค้นด้วยสติปัญญาก็มีทางที่จะคิดค้นได้ในคืนวันนั้นพระกายก็จะพูดว่าปอ่งใสก็ปรงใสพระกายก็อ่อนเพียเต็มที่เพราะอดพระกยายารมาทั้งสี่เก้าวัน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 ย้อนขามาจนกรทั่งเห็นความจริงว่าตัวนี้เป็นตัวสําคัญเป็นตัวที่โดนควรกวายเป็นตัวไปยึดไปถือเพราะความไม่เข้าใจพิจาราดูมันเข้าใจทั้งทางออกเห็เขาใจทั้งทงางลามันก็ปล่อยมันไปเองมีการแก้ไขวิชาทั้งแก่อย่างนะั้นอุบายวิธีต่างๆธรรมาฐานตั้งแต่อนาปานาติไปเป็นต้นโดยลำดับๆนี่เป็นเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องแรกที่จะระงับดับอวิชชาคือกิเรธทั้งหลายที่มีภายกนจิตใจทั้งตนมากน้อยทั้งนั้น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 ความต้องการแล้วจะเกิดความดับลั่นขึ้นมาเรื่อายเป็นเรื่องสั่งสมพิเลขึ้นมาอีกแทนที่จะแก้พิเหลหรือทำพิเลให้ระ ง, งับดับไปเป็นความผิดไปอยากให้ท่านผู้ฟังข้างหลายได้เข้าใจตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งประกาศกัางวันอยู่ด้วยความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่อยู่ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าต้นไม้ภูเขาข้างเรามีสติตัญญาพิจารณาไปไหนเป็นแต่รมทั้งนั้น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 การแสดงขึ้นมาอย่างไรเรามีสติปัญญาเราดูตามความแสดงของมันวันนี้มีอาการเชาหมองปัญญาเรามีมีธรรมชาติอันหนึ่งที่รู้ว่าอันนั้นชาหมองนะความชาหมองมันเป็นอันหนึ่งเราผู้มีสติปัญญาหรือมีความรู้เป็นอันหนึ่งจึงสามารถทราบความสมองนั้นได้นะให้ดูความสมองมันเกิดขึ้นมาเพราะสาเหตุอะไรให้แก้สาเหตุที่มันเกิดความสมองความสมองนี้มันกำลังนับไปเมื่อไม่มีสาเหตุเป็นเครื่องอุดหนุนนะครัมันมีความสมองมากขึ้น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 อ๋อทังไม่ได้เหอไม่าว่าเนี่ยตไม